จากนั้นชาวบ้านตาดต่างก็พร้อมน้อมใจยกที่ดินถวายเป็นวัดทาวอนเรื่อยมานี่ม่านอยู่คู่ประจำก้อยชี้ธรรมนำนาพระเนนตามติดลูกศิษย์ลูกหาเลื่อมใสศรัทธามากมา ธรรมเบื้องต้นตลอดจนขั้นสูงลอยท่านเมตตาทายอยสอนทั้งคอยบรรยายหนังสือทำมากมีเป็นเทพก็มีมากมายสุกการณีไม่มีวางขายแจกฟรีเรื่อยไปตามกา พ่อวัดปฏิปทารักษาอย่างมั่นคงเคร่งครัดอย่างยืนยงเข้มงวดและปวดทันเรื่องภาวนายิ่งสำคัญทุกวันไม่มีที่คลา ครับหลวงตาทีน่นำว่ามหาบัวเธอทำนำตัวน้อมตามทำวินัยไม่มีเอนเอียงไปตามโลการาบยศ น, นานาน้อยใหญ่ไม่เวียนมาแน่เกิดแก่เจ็บตายเที่ยงเธอแน่ใจในนิพพาน นี่คือหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดที่มีข้อวัดปฏิบัติตลอดจนปฏิปทาที่ได้รักษาสืบต่อมาจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นยางเคร่งครัดเด็ดเดียวเหนียวแน่นเป็นปึกแผ่นมั่นคงและยืนยงอยู่ทุกยามกลายเป็นความงดงามประทับตาประทับใจแก่บรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่ได้เข้าไปสัมผัสท่านได้สั่งสอนอบรมธรรมะ ให้แกพระเนนและคารวาตเข้มงวดปวดขันไปในด้านจิตภาวนาและรักษาสภาพวัดให้เป็นที่สงบสงัดไม่เอ็นเอียงแกว่งปัดไปตามกระแสะกิเลสใหญ่น้อยประหยัดเครื่องใช้ไม้สอยทุกอย่างงดเว้นสิ่งก่อสร้างที่ไม่จำเป็นตลอดทั้งไม่สั่งสมซ่อนเร้นปัจจัยเครื่องทยทานมีเพียงเครื่องอัถบริหารอันพอควรแก่งานและพอประมาณในเพศพรมจันทร์แห่งตนนี้เท่านั้น